แต่นางไม่ได้ใช้ด้วยมีกลิ่นคราวของกิเลสมามาฟุ้งเหมือนชาวเราท่านทั้งหลายแดนบอลแันบอลแดนบอลแน่นอนแหละ แน่นอนตรงนั้นนะ่ะอไหที่า ม, ท า, า, มมท า, ามารถสดดไดสคคคค้คือพระพุทธเจ้าจะสอนไงว่าต่อไม้สังเกตดดุไหมที่บอกว่าดูก่อนอชาวศากยะที่ใช้คําว่าเออเธอรักษาอโบโสถศาสนากันบ้างไหมเห็นไหมพุทธเจ้าจะนั่นแหละนั่นแปลว่าอะไรว่าเออบางคราวก็รักษาบางคราวก็ไม่รักษาทําไมเธอจึงประมาท เดือนหนึ่งมีสี่ครั้งอย่างเงี้ยอั น, นี้เขาเขาฝึกไหมล่ะก็คือฝึกนั่นแหละคือการฝึกในการที่จะขัดเกลาใช่ฝึกในการที่จะขัดเกลาในการที่จะอบรมฉะนั้นการฝึกต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่การที่จะเจริญกุศลฉะนั้นในกรณีอย่างการที่เขาฝึกในการที่จะเจริญกุศลเนี่ยเนียก็หมายความบอกว่าเขาเริ่มใช่ไม อ่าเริ่มไม่ไม่กินข้าวเย็นไม่ใช้เครื่องประดับบางท่านกระถาดขนาดเดินฝึกไปจนถึงศีล ส, สิบแต่งครั้งเลยนะเห็นไหมศีลเก้าศีลสิบกันเลยแหละฉะนั้นเขาก็เดินของเขาเหตุผลในกรณีการที่เดินเนี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะพระศาสดาบอกว่าวันพระเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งนี่ยสี่ครั้งใช่ไหมเนี่ยมีสี่ครั้งเนี่ย ก็ต้องฝึกที่นอนที่นั่งใช่ไหมแล้วก็เครื่องประดับนั้นสิ่งต่างๆหเหล่านี้เป็นการฝึกเพื่ออะไรเพื่อสิ่งดูการละเล่นทั้งหลายหเหล่านี้อันนี้เป็นที่ตั้งของความเพลิดเพลินความประมาาความสนุกสนานทั้งหลายถ้าไม่ฝึกแล้วแล้วใจเราก็จะไปติดเพราะจริงๆเราไม่ได้ไปพิจารณาบังคับกิเลสมันฉลาดจะตาย ฉะนั้นกิเลสมันฉลาดนะกิเลสเนี่ยมันฉลาดตอนนี้มันเรียนรู้พระธรรมร่วมกับเราไปด้วยไหมเรียบร้อยั้มเรียนรู้พระธรรมร่วมกับเราไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> พอพอเราพอเราบอกบอกว่าไม่ใช่ของเรา <c oughs> กิเลสมันก็บอกเออไม่ใช่ของเราฉะนั้นแต่เราก็ทำบุญมาเรามีสิทธิ์ยึดเป็นของเราอยู่นี่ <c oughs> กิเลสมันก็จะเริ่มเรียนรู้อย่างเงี้ยไดไม ว่าตรงนี้นี่แหละบอกว่าโดยหลักการก็คือเราไม่ได้เจริญกุศลให้เกิดขึ้นในต่อเนื่องน่ตรงนี้ก็คือถ้าหากมองในลักษณะนี้ก็อย่างที่ประเด็นที่ทางไม่ชีถามใชม่ถามเกี่ยวเรื่องว่าเออเออจะคิดยังไงนะที่ประเด็นต่างๆนี้ก็เลยยกตัวอย่างว่าคือด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาท่านได้มาก็สละได้มาก็สละได้มาก็สละก็คือท่านคายทิ้ง ท่านถึงบอกว่าขันเกลือกกลั่วกับสมบัติเหล่านี้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นอมิสตาญาตของเราเลยอันนี้แปลว่าชัดเลยนะเพราะเรามีความอนุเคราะห์แก่เธอทั้งหลายว่าจงเป็นธรรมทายาติจะเป็นอมิสตาญาตก็ แ, แปลว่าไม่ให้ยึดติดแต่ตรงนี้นะเมื่อพระบรมศาสดาเนี่ย <c oughs> มากระทําในลักษณะอย่างนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าเออเนี่ยในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระผู้ทธมีภาคเจ้าใช่ไหม ความใกล้ชิดพระรัตนตรยัยเขาใกล้ชิดโดยฐานะทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจขับเน้นตรงไหนเออนั่นแหละใจนั่นมีความใกล้ชิดมีความแนบแ น, นในพระพระภาคเจ้าคือคือว่าถามใจตัวเองว่าเรารักพระพุทธเจ้าไหมรักไหมไอ้ตรงเนี้ยไอ้ความรักที่ความเป็นความความรักที่เป็นมีความรักจริงๆ รักที่เป็นศรัทธาแล้วเชื่อมั่นไม่หวันไหวนั่นแหละแล้วก็ไม่คลอนแค้นไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความรักความมุ่งมั่นเป็นอยู่ที่พระศ า, าสดาไม่ใช่ไปอยู่ที่ตัวบุคคลอย่างนี้นะถ้าไปอยู่ที่ตัวบุคคลเนี่ยพลาดอีกผิดหวังแน่นอนจริงไหมเรารักเมียรักลูกรักบุตรรักภรรยา มันนำมาซึ่งความผิดหวังหรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายนำมาซึ่งความผิดหวังอ่ะแล้วก็รู้เส้นทางของความผิดหวังอยู่แต่ถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราจะไม่ผิดหวังคนที่เขาพ้นทุกเน่ยคือเขารักพระพุทธเจ้าเขาเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเขามีศรัทธาเขาไม่ลังเลสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างเ่ยของพระพุทธเจ้าคือว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระุทธเจ้าเช่นรูปขันธ์ที่เป็นพุทธเจ้าทั้งมหาปุริสละขณะทั้งอนุพยัญชนะทั้งหมดทั้งนามธรรมที่เริ่มตั้งแต่พยานของพระุทธเจ้าแต่เหมือนที่เขาถามบอกว่าพยานเป็นพุทธเจ้าใช่หรือไม่ใช่ไหมพยานเป็นพุทธเจ้าหรือคุณคุณเป็นพระพุทธเจ้า ถามว่ า, อ ะ, า, อ, าะนนะอะไรเป็นพระพุทธเจ้าอที่ก็ตั้งประเด็นน่ะอะไรเป็นพระพุทธเจ้าฮะอะไรดีอรหัตธรรมขยานสัพพัญยุตยานเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาถ้าสัพพัญยุตยานก็ได้แก่ตรงไหนไหนอยู่ตรงไหนหนี่ไงใช่ไหมมหากริยาญาณสัมปยุติสี่ดวงเนี่ ย, <า>ยใช่ไห<า> ม, <ะ S 2> ม พยานในที่นั้นได้แก่ปัญญาปัญญาที่ไหนมหากริยาญาณสัมพยุตตรงนั้นใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไม่ใช่ยอมการเจนาเอาอยัางไงเดี๋ยวต้องดูพระพุทธเจ้าให้ชัดก่อนวันนี้ถ้าไม่ชัดก็นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้แหละใครมาชวนให้ออกจากห้องบอกยังไม่ออกยังไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้า เราใครเป็นพระพุทธเจ้าพยานคือสัพพัญญตยานใช่ไหมใช่ไหมทีนี้พยานของพระสัมมาสมุเมตเจ้าพราะปัญญายานสัพพนุตยานแล้วมหากรมหาปัญญาที่ในอรัฐมักเป็นพระพุทธเจ้าไหมเป็นก็เองนะสัพพัญญตยานพยานเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมและพยานในที่นั้นคือปัญญาใช่ไหมปัญญาเป็นขันอะไร เป็นสังขารละขันปัญญาเป็นสังขารละขันทมที่สัมปยุญกับพยานเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมเป็นไม่เป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณะขันที่สัมยุญกับปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมเอาเป็นนะเอาและแต่นี้ถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอย่าพิ่งเดินออกจากห้องนี้ ดีไหมดีไม่ดีนี่กำลังถามว่าใครเป็นพระพุทธเจา้าพยานใช่ไหมถ้าพยานก็มีสองใช่ไหมตอนบรรลุครั้งแรกอนุตตรสมตอนบรรลุเนี่ยได้อรหัตมรกายานที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพก็ได้แก่ไหนปัญญาในอรหัตมร์ใช่ไหม ทำการสมุดเฉทาบหานใช่ไหมแล้วต่อมาคุณทั้งปวงคืออาสาธรนัยานหมีสัพพัญญุตยานเป็นต้นฉะนั้นสัพพัญญุตยานในที่นั้นได้แก่มหาปัญญาที่ในมหากริยาญาณสำปัญญาใช่ไหมเป็นพุทธเจ้าปัญญาที่ในมหากริยาญาณสำปรยุน์เป็นพระพุทธเจ้าทำที่สมปรยุน์กับ มหากริยาญาณะสัมปยุตเป็นพระพุทธเจ้าด้วยั้มเ<ช><ช>วทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นพระพุทธเจ้าใช่ั้ย<ช>แล้วสัพพัญยตยานอาศัยอะไรเกิด<ช>อาศยัยหาทยาวัตถุหาทยายวัตถุอาศัยอะไรเกิดมหาพูดสรุปแล้วมหาพูดและอุปาทยายรูก ที่ประดับไยด้วยมหาปุริสลักขนา32ประการและนุพยัญชนะ80เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันที่รวมกันเป็นขันห้าเป็นพุทธเจ้างั้นใช่หรือไม่โดยหลักจริงๆนะคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวถึงตัวสัพพัญญุตยานสัพเนี่ยคว่าสัพพัญญุตยานเนี่ยเป็นใช้คำท่านใช้คว่าราชาอาคโต พระราชาสเสด็จเนี่ยแปลว่าองค์คาพยพตามมาด้วยไหมฉะนั้นเมื่อสัพพยุตยานไปนะที่ไหนสัพพยุตยานกระทบกระแสขันของโยมกิ่งการตรวจสอบปุ๊บเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันวิญญาณขันที่เกิดร่วมกับสัมพยุตยานนั้นกระทบด้วยไหมผ่านหัตถเยวัตถุ ข, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยหัตถเยวัตุนั้นเป็นไปด้วยใช่หรือไม่นั่นไง ทั้งหมดของความเป็นไปของขันห้าของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เริ่มจะเข้าใจยังนี่แหละถามต่อสัพพัญญุตยานนะอะไรสร้างม า, านนะอะไรสร้างมาอรหัตมรคยานสร้างมาใช่ไหม อร h a t h a m a k y n นั่นแหละสร้างมาพระคุณทั้งหลายสัพพัญยตยานอนาวรณญ า, านอินทริยปรโรปริยตยานอาสยานุสยา น, น, ชยายานใช่ไหมอินต ร, ร, ร, ร, ร, ร, ริยาอินตริยาเนี่ยอินตรียาปโรปริยตยานแล้วก็มหากรุณาสมาปฏิยานยามะกะากาปปิหาริยานเนี่ยอสาทาธรณญ า, านหพุทธยานสิบสี่ 18, เวนิการทำสิเวสารชยาน 4, สี่พระทศปุรยาณ10เป็นต้น ใช่ไหมสรุปแล้วคือสมาบัตสองล้านสแสนโกรสมาบัติแยกออกทั้งเป็นสายของสมาบัติทั้งที่สายของวิปัสนามรชุมประชุมรวมกันแต่ละวันเนี่ยที่พระาศาสดาทรงใช้สอยเนี่ยพยานต่างๆเหล่านี้ที่โลดแล่นในกระแสขันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นเนี่ยนี่เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าพยานเหล่านี้อะไรให้มาพุทธคุณเหล่านี้อะไรให้มาบอกอาราธมัคขยาน อาราตมะกยานที่ได้นะที่วันเพนขึ้น15ข้าม่ำปชิมมยามใชม่เดือนหวันได้ตัสรูนุตราสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่นแหละให้มาและและอาราตมะกยานเนี่ยอะไรให้มาอะไรสร้างมาอะไรดีอะไรให้มา มหาวิปัสนาญาณใช่ไหมก่อนเอามหาวิปัสนาญาณก่อนใช่ไหมเออมหาวิปัสนาญาณนนะ่ยให้มาทีนี้มหาวิปัสนาญาณเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลไหมมหาวิปัสนาญาณของพระบรมศาสดาต้องกระทบกระแสขันของสัตว์โลกอย่างมากมายในกรณีที่เห็นความเป็นไปของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเนี่ยนะ โดยความเป็นอนิจจานุปัสสนานุขานุปัสสนานัตานุปัสสนานี่นิพิทานุปัสสนาวิราขานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสคานุปัสสนาแสดงว่ากระทบเยอะมากเพราะปริมาณของวิปัสสนาญาณของพระเบรมศาสดานั้นจะต้องมีอรรมารามณปัจจัยกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมหาวิวปัสสนาญาณเหล่านั้นแหละสร้างมาสร้างอารัฐมรรค จึงไม่ใช่อราราธมักที่ธรรมดาอย่างภาษาวกหรืออราธมักธรรมดาอย่างพระปเจกับพระุทธเจ้าแล้วแปลว่าพิเศษมากกว่าไหมทีนี้มหม า, ายปัตนาญาณทั้งหลายเนี่ยอะไรสร้างมาสมาบัตไงสมาบัตเนี่ยไหมโอ้สมาบันาบนตนั่นแหละหมสมาบัติทั้ง8ดนั่นแหละ ทั้งรูปประชานระรูปประชานทั้งหลายมากไห ม, ไมฉะนั้นสมาบัติของพระบรมศาสดาเนี่ยแม้แค่กสินเนี่ยนะสีทุกสีเนี่ยพระองค์นั้นเอาเป็นที่เข้าอยู่สมาบัติได้หมด น, ะนี่คือพระพุทธเจ้าอะอย่างเราขอสักสีเหลืองสักสีก็ไม่ได้ใช่ไหมที่จะเป็นที่ตั้งของอั ป, ปนาสมาธิเนี่ยคือเราไม่สามารถจะเพะเอาสีเหลืองเนี่ยผลิตโรงงานบุญที่เป็นระดับอัปนาให้ตั้งได้ S <S ใช่ไหมจาขานุสติของเราเนี่ยจาขะบวกอนุสติเนี่ยผลิตกุศลเบามากเมื่อวานไปเปิดโรงงานผลิตกุศลแล้วเม็ดบุญมากไหมเออต้องถามหให้เล่าหน่อยเล่าเม็ดบุญหน่อยที่มีประมาณห่วงบุญห่วงกุศลเนี่ยใช่ไหลองเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยสิ ใช่ไหมเอาเป็นยังไงเล่าอ๋อใช่ป่ะอ๋อ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 ทำไมคนมาผลิตอาบุญในโรงงานที่เราสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมากผิดปกติเนี่ยไม่โ อ, อ้ตรงนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดูจากสภาพจิตใจที่เป็นไปกกุศลฉะนั้นถ้าหากสภาพจิตใจที่เป็นไปกกุศลเนี่ยเขาบอกว่าจิตเจตสิกเนี่ยนะ ที่เป็นไปในด้านของกายปัสสทธิจิตตะปัสสทธิเนี่ยถ้าเราดูตรงเนี้ยใช่เห็นไเนี่ยกายปัสส thi จิตตปัสส t เนี่ยกายะระหุตาจิตตะระหุตากายะมุทุตาจิตตะมุทุตาใช่กายะกรมมัญญตาจิตตะกรมมัญตากายะปาคุญญตาจิตตะปาคุญญตากายุชุกตาจิตตุชุกตาเนี่ยหคู่หคู่เหล่านี้ถ้าสังเกต ด, ดูกุศลดูตรงนี้ ดูสภาพใจดูอย่างเงี้ย<ม>เขาจะไปทำปฏิกิริยาแห่งการที่ว่าคือจิตเจตสิกเนี่ยที่ขาด<ม>ที่ขาดกายปัจสถาิจิตาปัจสถาิเนี่ย<ม>ก็แปลว่าจิตมันไม่สงบ<ม>จิตที่มันไม่สงบ<ม>ถามว่าธรรมชาติจิตที่ไม่สงบเป็นยังไงก็คือเร่าร้อนเร่าร้อนเพราะอะไรอุทธจัะ<ม>ใช่ไหมถ้าหากจิตนี่นะมีอุทธจารเป็นประธานาเมื่อไหร่นะ อกุศลมาเป็นอุทจจะเป็นประธานเมื่อไหร่สภาพจิตไม่สงบมันเร่าร้อนจิตที่มันเล่าร้อนอันนี้คือการตรวจสอบไงเวลาเราจะเจริญทานากุศลศีลกุศลเลือภาวนากุศลเนี่ยตรวจสอบจิตใจดูตรงนั้นว่าเร่าร้อนไหมถ้ามันเร่าร้อนนี่บ่งบอกเลยว่าอุทจจะนี่ น, นะธรรมชาติที่ทําให้ความเล่าร้อนของจิตและเจสิกเนี่ยมันสงบเย็นไม่ได้ก็แปลว่าสองดวงเกิดไม่ได้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 ถ้าเป็นแบบนี้ก็ เ, เรียกว่าอุทธจจะเป็นประธานแล้วตอนนั้นนะเน่อาลองสังเกตใจไปเรื่อยๆนะถ้าเราเจริญกุศลเนี่ยแม้ฟังทำในขณะเนี้นะถ้าถ้าอุทธจักรกุกุจ่านี่นะ อ, อุทธจจะรเป็นประธานของจิตเจสิกนะตอนนั้นแปลว่าจิตมันร้อนเหมือนปลาวางไว้บนแผ่นหินที่ร้อนถ้าหากจิตเจสิกนี้มีกำลังถ้าสงบลงได้นะนะ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 ถ้าอาการปรากรดก็คือคสภาพธรรมที่สงบเย็นจิตใจเจติความไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวก็เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าอุทจจะเกิดขึ้นเนี่ยทำให้จิตเจติกเกิดความไม่สงบทำกายปัสสติจิตตปัสสติหมู่เจตสิกขันสามก็หมู่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันคําว่าจิตจิตปัสสธิได้แก่วิญญาณขันเนี่ยทำให้เร่าร้อนเพราะอุทจจะเป็ น, ปนเพราะอุอทจจะเป็นประธานแต่ถ้าสงบอุทจจะได้เป็น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 อะไรทำให้จิตหนักกิเลสประเภทไหนทำให้จิตหนักเออตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นอ่ะอะไรมาเป็นประธานของจิตเขา้าเออใช่ทีนมิทนะเนี่ยทำให้จิตหนักทำให้จิตหนักนั้นใครที่เกิดทีนามิทะก็หนักอยู่งั้นแหละหนักเหมือนแบกอะไรอย่าันเน้ยนะหนักเป็นไหม ่และสภาพหนักเนะี่ยแล้วและสภาพจิตที่หนักเนี่ยนะั่ก็เหมือนเนะี่ยดอกไม้วางไว้บนแผ่นหินที่ที่ร้อนนะเหี่ยวไหมเหี่ยวเฉางอยอย่างนั้นแหละงอยเป็นนกเจ็บเ <c oughs> จริญกุศนอย่างไงรุร่นหน้าตาก็ไม่ชื่นบานไม่ผ่องใสแะ้ <c oughs> <c oughs> ก็นั่งเรียนกุศอนก็เรียนแบบหน้าเศร้าๆงั้นไงเคยเคยเป็นไหมหน้าเศร้าๆไม่รู้เศร้าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะเศร้าซ้อยมากไม่จริงเป็นเลยยมเจ้าปีสองอย่างอย่างนี้ก็เรียกจิตมันหนักมีสองอย่างนะถ้าไม่หนักก็ฟุ้ง อยู่งั้นนะไม่รู้จะแก้ยังไงใช่ไหมแก้สมาธิเอาสมาธิมาแก้ก็หลับเ <c oughs> พราะเป็นมิจฉาสมาธิยังไงไอ้ท่านว่าเอาถ้าพยายามจะกระตุ้นไม่ให้มันหงอยหงอยก็ฟงแก้ยากจริงๆใช่ไหมเพราะเราก็ใช้อกุศลแก้อกุศลเป็นงั้นแหละแล้วอย่างเงี้ยต่อให้ตั้งโร ง, งงานใหญ่เฉพาะหน้าจะผลิตบุญได้ไหม <c oughs> ไม่ได้บุญไม่ออก อา้าวไปร่วมเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โพธิยาลัยก็ไปนั่งหงอยหงอยไปยื้อเนี่ยนะเขากล่าวคำถวายก็ไปกล่าวกับเขาไปเบ็ดเสร็จก็ได้บุญแล้วก็มาหงอยต่อเนี่ยนะไม่ได้ คือกุศลมันได้แวบเดียวแวบเดียวนะเข้าบาปก็แทบบาปก็แทบนี่จิตมันหนักเนาะส่วนจิตเจเสกไงที่มีกําลังแรงนะก็แผ่ไปในกุศลธรรมเหมือนอะไรเหมือนดอกบัวดอกบัวใส่ไว้ในน้ําที่เย็นๆน้ำเป็นไงดอกบัวเป็นไงนเออนั่นแหละก็สดชื่นตรงนั้นแหละตรงนี้ก็คือไปพิจารณาสภาพที่กําจัดความหนักของจิตเจเสกสิกเป็นต้นได้ก็คืออาการปรากฏก็คือว่าไม่หนัก ไม่เชื่องช้าแล้วนะเบาแล้วว่องไวแล้วก็จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีระหูตานะกายาระหุตาจิตแต่ระหุตามูทุตานี่ก็แปลว่ามูทุนี่แปลว่าอ่อนนะอ่ อ, อนทําให้ความแข็งกระด้างของจิตเจสิกสงบเย็นได้และความสงบเย็นของจิตเจสิกอะไรทําให้จิตแข็งกระด้างอกิเลสอะไรอเออใช่ทิฏฐิกมานะใครมีไหมทิฏฐิมานะเนี่ย นี่เราจะพแข็งมันมันแข็งนะมันหนักมากเพราะว่ามันแข็งกระด้างในกุศลธรรมทั้งหลายคือถ้าหนเนี่ยถ้าหนกล้าเวลาอยู่เผชิญหน้ากับศัตรูเนี่ยเขาเาห้ามหันกันไหเขาแข็งไหมแข็งกระด้างาทะนั้นกรณีที่จิตเนี่ยนะ พวกมีทิฏฐิมานะเนี่ยเขาจะแข็งใสกุศลเขาไม่ยอมงอให้กุศลเลยเห็นกุศลเนี่ยเขาโอ้โหไม่ยอมอยังไงก็ไม่ยอมมุมไหนก็ไม่ยอมเขาจะแถไปทุกเรื่องเนี่ยนะเพราะว่าเขาเขาเขาแข็งอะถ้าเป็นกุศลเน่ยถ้าเป็นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยเขาแถบไปได้ทุกเรื่องอะเพราะเขาแข็งเข้าใจญ่ไหมเขามีมานะจัดแล้วก็มีทิฏฐิกล้าเหมือนทหารกล้า เขาเขาเขียนว่ากุศลเนี่ยสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยเขาไปเชิญหน้ากับศัตรูเขาคนที่มีที่ติมานะเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เขาไม่ยอมถอยจากวงล้อมจากศัตรูแต่ถ้าถ้าหากล้ากลับมาอยู่ในวงล้อมของหมู่ญาตินันเป็นที่รักล่ะทหารกล้าอ่อนโยนไหมออเออเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าหากว่าเป็นที่มีมุทุตานะ กายยกายามุทุตาจิตตามุทุตาในะความอ่อนจิตเจสิกเนีน่ก็เหมือนทหารกล้าอยู่ในวงล้อมของญาติอันเป็นที่รักเขาจะมีความอ่อนโยนนี่เขาจะอ่อนโยนในกุศลฉะนั้นสังเกตว่าถ้าใจเราอ่อนโยนต่อทา น, นกุศลศีลกุศลและภาวนากุศล น, นี่ใช่แล้วอันนี้ใช่กุศลแน่ๆแต่ถ้าไปเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลใครใครไปทาทาน เฮยคนค น, นี้กิชอบคิดหน้าอะไรมันเนี่ยไม่เอาแล้วเห็นไหมทั้งๆ ท, ท, ที่เขาทำบุญทแท้ๆเนี่ยเอาแลแ้วแซงทำเหมือนเอาไปใหญ่เลยนะที่แทนที่จะได้บุญเคยเป็นไม่ยมแก้เอ <c oughs> เอาหน้าหรือเปล่า เ, าเนี่ยอะไรก็ไปใหญ่เลยตอนเนี้ยทำไมทำทำใหญ่ยังเราไปาใหญ่เลยตอนเนี้ยเ <c oughs> ห็ไมไม่ ไปดูแล้วไปตรวจสอบดูแล้วไม่จริงใจอะไรหรอกโอไปใหญ่เลยอีอนี่เป็นแท้มีอะไรมากแท้ที่จริงเนี่ยเขาไปเอาบุญเหมือนคนไปอินเดียเนี่ยโหรับไม่ได้รับไม่ได้อะไรสกปรกอะดูเขาให้ไปเจริญบุญไปผลิตโรงงานลงบุญไปทําไม่ยังไม่ไปทําอย่างนั้น ไปดูแล้วไม่ได้บุญกลับมาไม่รู้ไปได้อะไรไม่รู้เนี่ยจิตใจตรศิกมันหนักนะเป็นความแข็งกระด้างสภาพที่กําจัดความแข็งกระด้างเสียได้เนี่ยกิตของกุศลที่เป็นมูทุตานี่นะความอ่อนนี่นะถ้าจิตแข็งจะถูกกําจัดถูกกําจัดเขาจะกําจัดทิฏฐิมานะนั้นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนี่นะจะกําจัดทิฏฐิมานะเขาจะกําจัด ถ้าทําแข็งขึ้นมาก็กําจัดแข็งก็กําจัดแข็งก็กําจัดมันจะอ่อนไหมอ่อนกุศลแต่มันจะแข็งกับอกุศล น, นะเออจะเป็นอย่างนี้นะถ้าอากุศลนี่ไม่ไม่เลยแต่ถ้ากุศลนี่จะอ่อนโยนมากอถามบอกว่าถ้าหานอยู่ในโมงค์ของญาติเนให้ฆ่าญาติตัวเองเอาไหมไม่เอาเขาไม่ทําหรอกเหมือนกันนี่เหมือนกันก็จะอ่อนโยนแต่ถ้าหากว่ามีใครจะมาทําร้ายญาติเขาก็าป้องกันไหมเ น, นี่ยเป็นอย่างนี้ ด้านของสภาพของกุศลจะเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตใจเราจะเป็นแบบนี้เอาใครเคยไปสังเกตใจกันอย่างนี้ไหมต้องเจาะเข้าไปดูฐานความคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมในขณะนตอนที่เจริญกุศลถ้าไม่เจาะไม่วิจัยไม่พิจารณาไม่ใคร่ควรอย่างเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้บุญมันเกิ ด, เ ก, ดเกิดแบบเนี้แล้วก็สังเกตเดินจิตในลักษณะอย่างเนี้นะนั้นเทติมานะเนี่ยจึงเป็นประธานทําให้จิตเจสิกนั้นนะ่ะความเบาก็คือความไม่หนัก ความไม่หนักอกุศลจิตนี่หนักไห ม, ไมเพราะมีโมหะประกอบไงไคือถ้าใช้คำหนักๆ ก, ก็บอกว่าถ้าโมหะเป็นประธานของจิตแล้วมันกระบฏต่อความดีกระบฏต่อความดีมุทุตาก็เป็นความอ่อนเพราะไม่กระบฏความดีก็ไม่กระบฏต่อพทธเจ้าใช่ไหมไม่กระบดต่อพทธเจ้า นั่นเป็นความเบาของธรรมน่ยนะความเบาของธรรมนิจิตเจตสิกที่เกี่ยวกันในเรื่องของควรเนาะเหมาะเนี่ยเขาแปลว่าไงเนี่ยกรรมัญเนี่ยกรรมัญญก็คือควรน่ยนะสภาพที่ทําให้ความไม่ควรในการงานที่ดีของจิตเจตสิกคืออะไรกําจัดนะเขาสภาพที่เขาสงบได้สงบความไม่ควรของจิตเจตสิกได้กําจัดความไม่ควรได้ เขากาจัดความไม่ควรของจิตเจสิกได้้ะจิตเยสิกที่มีกรรมัญญาตาเนี่ยนะก็อ่อนกําลังที่ถ้าไม่มีนะมันอ่อนไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ในกุศลได้ตามป่าถนาปลิวไปมันจะปลิวไปเหมือนกับเขาเหมือนเหมือนกับกแกลบหรือเหมือนกับลำมันนะที่เขาคว้างไปทวนหลม่มมันปลิวหายไปหมดแลยฉะนั้นธรรมชาติที่ให้สังเกตว่า คนบางคนเนะี่ยตั้งอยู่ในทานนกะูสลตั้งได้แป๊บเดียวมันปลิวหายไปแล้วตั้งปุ๊บก็บปลิวไปแล้วเอาใครระลึกได้เป็นไงไั้นั้มมันปลิวบ่อยไม้มพอระลึกปุ๊บเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ได้ฐานได้ที่ตั้งแห่งการเจริญบุญไปผลิตฐานไว้แล้วเนี่ยนะเอาสมมติเนี่ยไม่สมมติเรื่องจริงเนี่ยอันนี้มาถวายแลวใช่ไหมายายาเนี่ยแก่เจบคอเนี่ยถวายถวายปุ๊บพอพอตั้งโรงงานนี้ปุ๊บ อมั น, ม, นมันตั้งได้แป๊บเดียวอย่างนี้สมมตินนะแป๊บเดียวเนี่ยปิวหายไปแล้วเหมือนกับโยนแกลบทวนลมเนีหายไปนหายไปไหนเนี่ยนึกไม่ออกเนี่ยนะบาทีลืมด้วยใช่ไหมตามระลึกไม่ได้ย้อนเลลึกก็ไม่ได้จําไม่ได้คิดก็ไม่ออกว่นเปือเลื่อนเลือนเนี่ยเนะียนี่หายไปแล้วอันนี้หายไปแล้วเนี้ยนี่อย่างนี้เป็นอย่างเนี้ยธรรมชาติอย่างนี้เขาเรียกมันไม่เหมาะมันไม่สามารถตั้งใดในกุศลได้ตามปรารถนามันไม่เหมือนกับแท่งทองนะแท่งทอนโยนทวนลมเนี่ย มันทวนไปได้จริงๆนะและ้วแล้วก็ไปตกทวนลมได้จริงๆด้วยไม่ปลิวหายไปด้วยยังเห็นอยู่นั่นแหละโยนไปทวนลมปุ๊บมก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละเห็นไหมแท่งทองก็เห็นเป็นแท่งทองอยู่นั่นแหละลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าเหมาะเหมาะคือสามารถตั้งได้ได้ในกุศลได้นานนะตั้งได้แล้วกาจัดกําจัดความปลิวความไม่ควรได้นะ นี่เป็นความสมบูรณ์ของจิตและเจสิกเกิดขึ้นก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าปาคุญยะปากุญยะนี่แปลว่าอะไรเนี่ยสภาพที่ไม่ป่วยไขย้ไม่เสียดแทงนะฮะนั่นแหละจิตที่ไม่คล่องคืออย่างนี้เข้าใจเอามานต้องการพูดโดยอัถะสับเนี่ยก็คือหมายความว่า